รวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันพุ้่นซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาป้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อผู้สอนทมถ้อเรา มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุตธเจ้าผู้กระเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่าง <c oughs> อามิตรบูชาหนึ่ง <c oughs> ได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของ เห็นดอกไม้ถูกเปลี่ยนของหอมต่างๆมีเรียกว่าอามิสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าทาไม่เรือ ว, วิสั ย, ยจริงๆแล้ว ไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในหมอรรพบมับ น, นต่างๆโมนีสำหรับผู้ผึกฝนจิตใจแล้ว มันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในมหมอนศสกกางในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุง่งความสงบเป็นที่ตั้ง ความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็คงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละเพราะความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิต ด, ดวงนี้นะติดข้องอยู่ในโลกอันนี้ เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จกจบจกสิ้นก็เพราะความพเพลิดเธอนี่แหละเป็นมูลเหตุสัตว์ทั้งหลายจะได้ค้องอยู่ในโลกนี้่ผู้ใดชอบความส ง, งบก็บพึ่งปฏิบัติไปเพื่อความส ง, งบทาง จ, จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้ มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเขาทํานองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางสันทังห้าอันนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะปรงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ พอแต่ให้มาห่วงมากอะไรเป็นทุกขเ์เป่าโยูไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุตโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุตโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงก็ไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่เป็นสามศออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย ก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจทต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวมอประมาทควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆพวกนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันทำไมเห็นโทษนั้นเต้นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของกันห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ย ความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมันมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี่แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเลยไม่ต้องการในขันห้านี้มันแตกมันดับ นี่ความมุ่งหมายของจิตอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรรวนในถ้มกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกธนิวัตั น, นี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมัน่นไวยฉะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันห้านี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตที่หวงขันห้าอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะ ทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดภาคจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อเด็กเกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆ นนันเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกนี้สีวิไลจริงๆน่าอยู่หน้าอาศัยจริงๆถวนุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาละไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่ง พัฒนาขึ้นใมนแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็พ้่องอยู่อย่างนั้นแหละยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่ง อยู่อย่างนี้ร่ำไปเพราะว่าใจนี่แหละมันสําคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันก็น่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ทันไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับ สุดโอมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนาหูไม่เสียโอตาเสียตามมว อ, อย่างนี้แหละหอถ้าหูดีตาดีเอาผมผันงอกอย่างนี้ถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันรอนไปไม่ทันเท่าแกชลาฟันหลุดไปหมดแล้วก็มี บางคนนะ่ะหรือเมตนานก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบีย NO. ดเบียนเอาในสวอยทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งทีมญญงม่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีมันก็ล้วนแตเ่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปลวนในถ้ำกลางแล้วแตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าเอภาวนาลงไปแล้วมันรงไม่ตกกลางไม่ลงจะทํำยังไงอ่ะ เมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกอยู่ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระ ง, งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงอก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะ ตัวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั่นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้เพื่อใคิดได้อย่างนี้แล้วก็ ตอนใจทังตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระระัตนาไกลอย่างเนี้ต้องมั่นนึกถึงและกมันทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณดังสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกําลังเข้มแข็งอจะไม่หวั่นไหว ต่อสังขารอันแปลปวนไปนั้นแล้วจะไม่หลงเพลิดเพลินโวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปลปวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุม่มเป็นสาวเปล่งฝังอย่างนี้ร่าไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ ผู้ที่เกิดก่อนเราเห็นมารดาบิดดาลุงป้านาอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดโทมให้เราเห็นอยู่แล้วจะไหนล่ะจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึกว่าตนจับ คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเยไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็เลี้ยวไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี่อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะี่ยก็อย่างนั้นดังนั้นแหละ จงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นก็าไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายั้งกล่าวมา <c oughs> อันคนเราเนะี่ยมันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเมาไป ถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ละมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคน มันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นนะ บ, บันนี้ยบาปนั้นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่ า, วาเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันอนะ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้า ไอใใจนี้ไม่ชอบได้อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยไอนน้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช่วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ไสเก่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละ คุณท่านรู้ทัวท่านกบเว้นก็ไม่ทําไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีค่าตัดเป็นต้นดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทําบาป <c oughs> มันก็ไม่นกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทําบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเรียนกันและกัน บางคนเขาว่าการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทําไมถึงเป็นบาปมันไม่เบียดเบียนยังไงการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวกระคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่ เมื่อมีใครมากระทบกระทั่งเขาหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัตปหารผู้อื่นได้เลยนี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากเขาเมานี่แหละ เมื่อมันเมามามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแ น, น่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตาม บุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกำเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างนูงน้นอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทําไม่พูดเสร็แล้วมันก็หมดเรื่องกัน บางบาปบางอย่างก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั้นแหละสําหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร น, นั้นคนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเวน้น ไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะตนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆ ก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่บเบื้องต้นนู่นเลยโดยไปคิดว่าไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องซะด้วยแล้วมันไม่นึกถึง อ, อ ก, การไปทาลายชีวิตของสัตว์อย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหม ไม่ได้คิดแล้วแต่ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมนี่มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากเราถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่แต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็แล้วกัน ถ้าตะเจไฉานเอามาทําเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างเนี้ยบางคนก็เห็นไปอย่างเนี้เห็นอย่างนี้เรี่ยว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นของตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าบุคคลพวกนั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือ พระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็บพระพุทธเจ้าศัตรูแจ้งเตมตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้แต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดตัววางนี่ในคิดเพราะอวิชชาตัณหาะนะัะครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่ วันนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนผู้นั้นจึงคือว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบวิของตอนเป็นไปตามทมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นได้คือว่าเป็นคนอาภัพ เป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทาความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นคนอาภัพนันผู้ที่เป็นพัพภะบุคคล น, นั่นเป็นผู้มีความสามารถสร้างสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้ แม้ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลําบากเข้าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังขํามเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทํเพราะมนํามาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พราะทําบาปลงแลมันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันตันตัวนั้นไปเลย มันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเหตุขยติแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะไปฆ่าตดัดชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่ยงั้นเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้รายละเอียที่คนเราจะเล่นเล่อประมาทเพราะว่า กรรมที่ทํานั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนนั้นแหะมันยังให้กําลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้น ผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้แม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลกรเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ย ดังนั้นน่ะผูใ้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของคำต่างๆวันนี้แนละ้วก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ากระทำมาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีก โดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงบังคับไม่ได้ไม่เป็นประทาน